สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เช้าที่ปานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยเก้าสิบแปดนี่ก็เป็นครองสุดท้ายนะครับอีกสามวันชุดพระเยซูก็จะจบหมดซีรีสนี้ลงก็จะมีซีรีส์ใหม่ต่อมานะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงอุปสรรคสามประการครับที่ทำลายชีวิต และการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณของเราขวางกั้นเราไม่ให้เติบโตขึ้น <c oughs> ทำลายจิตใจที่จดจอ่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์อุปสรรคประการแรกก็คือตัวเราเองครับธรรมชาติมนุษย์ซึ่งเป็นธรรมชาติบาปตัวเราเองนั้นเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดอันหนึ่ง เพิ่งพีกล่าวว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นชั่วร้ายและไม่เคยอิ่มใจธรรมชาติของมนุษย์นั้นต้องการมากขึ้นมากขึ้นมีตันหามีความโลภมันต้องการเงินมากขึ้นมันต้องการความสนใจจากคนอื่นมากขึ้นมันต้องการการถูกและค๊อกไลมากขึ้นถูกยกย่องมากขึ้นถูกอวยมากขึ้นรูปหลักต้องดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมทํานองนี้ครับเรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุดการอิ่มอกอิ่มใจหรือนําใจนั้นอาจจะอยู่เพียงชั่วขณะจากนั้นก็ต้องการสิ่งอื่นที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติของมนุษย์นั้นจดจ่ออยู่ที่ตัวของเราครับจดจ่ออยู่ที่ตัวงเราเรียกว่า อ, อีโอก้ครับหรือตัวฉันตัวผมเพิ่มพีกล่าวครับ ชัดเจนมากเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายกาจของมนุษย์ครับเพิ่มพีบอกว่าอย่าสนองตัณหาของบาปกาลาเทียบทที่ห้าข้อสิบหแต่จงดำเนินชีวิตตามพระวิ ญ, ญญาณเราจะดำเนินชีวิตตามพระวิ ญ, ญญาณได้ยังไงครับก็ต้องย้อนกลับไปที่พระเยซูครับชีวิตของพระเยซูเราจะต้องโฟกัสเราจะต้องจดจอ่อรวบรวมความสนใจในสิ่งที่เป็นของพระเยซู คำสอนของพระเยซูคำสั่งของพระเยซูและความปรารถนาของพระเยซูน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งผ่านมาโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เล่งเร้าชีวิตของเราให้เรามีความปรารถนาให้เรามีของประทนานให้เรามีผลของพระวิญ ญ, ญาณพี่น้องครับความปรารถนาธรรมชาติที่ชั่วร้ายจะถูกทดแทนด้วยความปรารถนาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ความปรารถนาที่แรงกล้าที่จะทําให้ พระเจ้าของเราพ่อพระไทยเราจะต้องมีท่าทีของการประหารครับประหารโลกียวิสัยในโครโรสีบทที่สามข้อห้าครับพี่น้องครับให้เราละทิ้งทุกอย่างที่่วงอยู่ขอพระเจ้าประทานใจปรารถนาที่จะทิ้งธรรมชาติอันชั่วร้ายตัวเก่าของเราทำให้พระองค์พ่อพไทยและหันมารับใช้พระเจ้า และรับใช้คนทั้งหลายแทนฮีบรูบทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงข้อสองบอกว่าให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นให้เราวิ่งด้วยคำอดทนบากบั่นไปสู่ลู่ที่ทรงกาหนดไว้แล้วให้เราเพ่งมองจดจ่อที่พระเยซูพี่น้องครับจงเมตตาและสงสารเห็นอกเห็นใจกันและกันให้อภัยต่อกันและกันเหมือนที่พระเจ้าทรงอภยัยท่านในพระเยซูคริส พี่น้องครับพระมุทีได้เตือนเรานะครับให้เราอาภัยซึ่งกันและกันให้เราลืมตนเองนะครับซึ่งรวมถึงลืมอดีตที่ขมขื่นที่เราเคยมีต่อคนอื่นถ้ามีคนที่ทำผิดต่อเรามาตลอดเราต้องให้อภัยแม้ว่ามันจะยากมากยังไงก็ต่างครับพี่น้องครับในกระบวนการการให้อภัยนั้นเราก็จะสัมผัสถึงการเยี่ยวยาที่เกิดขึ้นการหายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราศัตรูตัวที่สอง ก็คือระบบของโลกกับโลกนี้เองพระกัมภีร์กล่าวว่าระบบของโลกนั้นได้ส่งต่อการล่อลวงมาถึงเราให้เราเบี่ยงเบนความสนใจที่เราจะต้องจดจ่ออยู่ที่พระเยซูเบี่ยงเบนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราหลงทางไปกูไม่กลับพี่น้องครับเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องรู้และแยกแยะให้ออกว่าสิ่งไหนเป็นของโลกฝ่ายต่ํา สิ่งใดบ้างที่มีแนวโน้มจะดึงเราออกจากชีวิตที่แท้จริงชีวิตในการติดตามพระเยซูดึงเราออกไปสู่รูปแบบชีวิตเก่าๆแผนเก่าๆอันชั่วร้ายขอให้เราที่จะทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าครับในการที่เราจะมีทางหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่ทําลายเรา หลีกเลี่ยงสิ่งต่างที่จะดึงความสนใจของเราออกไปจากพระเจ้าที่ทัสบที่สองข้อเอดถึงสิบสามเพราะพระคุณของพระเจ้าสอนให้เราปฏิเสธความอาธรรมและโลกิยาตันหาและสอนเราให้ดำเนินชีวิตในโลกนี้ในยุคนี้อย่างที่อย่างคนที่รู้จักควบคุมตนเองเป็นคนยุติธรรมและอยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราปฏิเสธความอธรรมและ ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาเราให้เรารู้จักปฏิเสธปฏิเสธความรรมัดคำและปฏิเสธโลกียสัญหาขอพระเจ้าสอนเราให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างคนที่รู้จักควบคุมตัวเองครับนะครับนี่คือปฏิเสธวิทยาไม่ใช่ชื่อโรงเรียนนะครับแต่เป็นทักษะของการปฏิเสธปฏิเสธความอัดคำปฏิเสธโลกปฏิเสธการยั่วยุนของโลก และเป็นคนที่รู้จักควบคุมตัวเองครับเพื่อที่เราจะมีความหวังรอคอยพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นประการที่สองป ร, ประการที่สามครับศัตรูที่ไลยกาดตัวที่สามซึ่งเป็นตัวที่ไลยกาดที่สุดแม้ว่ามันจะพ่ายแพ้ไปแล้วก็ตามศัตรูตัวนั้นคือมารครับมารซาตานแม้ว่ามารซาตานจะพ่ายแพ้ แต่มันก็พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอย่างไม่หยุดไม่หย่อนมันไม่เคยเลิกที่จะมายุ่งกับเรานับตั้งแต่ปฐมกาลเป็นต้นมาซาตานได้พยายามทำลายมนุษย์ครับพยายามทำลายเราทั้งหลายพยายามทำให้พระฉายาของเจ้าแปดเพื่อนมาตลอดก็คือพวกเราพวกเรานั้นถูกสร้างจากพระฉายาของพระเจ้าครับมันต้องการรับเราให้เข้ากับมันมันต้องการล่อเราลวงเรา พี่น้องครับในเมื่อมันต้องการปรับเราให้เข้ากับมันมันอยากจะให้เราปรับให้เข้ากับมันแทนที่จะปรับให้เข้ากับพายพระฉายาของพระเจ้ามีคาถามว่าทำไมพระเจ้าไม่ได้ขจัดมารออกไปจากชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้กาจัดมารออกไปจากชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิงเพราะเวลาสุดท้ายของมันยังมาไม่ถึงครับ แต่เมื่อเราเป็นผู้เชื่อแล้วเราเองนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบในส่วนของเราที่จะต่อต้านและไล่มันไปพระพี่บอกว่าจงยอมจำนวนต่อพระเจ้าจงต่อสู้ยืนหยัด ก, กับมานยืนหยัดต่อสู้กับมานและมันจะหนีจากท่านไปยาก้ อ, อกที่สี่ข้อเจ็ดครับเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราต้องรับผิดชอบในส่วนของเราที่จะต้องต่อต้านการล่อลวง การทำลายล้างของมันและสแสวงหากำลังและความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าโดยการยอมจำนนกับพระเจ้าครับขอให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมครอบครองในชีวิตของเราและยืนหยัดต่อสู้กับมารซาตานและมันจะหนีท่านไปเพียงกับซาตานนั้นมันฉลาดมันฉลาดมันรู้จักใช้อิทธิพลของโลกนี้และธรรมชาติของมนุษย์ของเรานั้นที่เราต้องการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเราไม่อยากให้พระเจ้ามาเป็นศูนย์กลางไม่อยากให้พระเจ้าเป็นใหญ่ ล้าอยากจะเอาต ame, ัวเองเป็นใหญ่เราก็ตกอยู่ในอำนาจมืดวิญญาณชั่วครับอยู่ในอิทธิพลของมารซาตานเพราะมันรู้ครับและในที่สุดมันจะเป็นใหญ่ครับไม่ใช่เราเป็นใหญ่พี่น้องครับในที่สุดคนที่อยากเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยากจะให้ตัวเองเป็นใหญ่ในที่สุดก็ตกเป็นทาสของมารซาตานและมันจะเป็นใหญ่แทนเรามันจะหวานความคิดที่สงสัยความคิดผิดๆในจิต ใ, ใจของเรา แม้กระทั่งในเรื่องที่เราตัดสินใจเลือกที่จะวางไว้วางใจพระเยซูมันจะบอกว่าความเชื่อความศรัทธาของเรานะั้นไม่ยิ่งใหญ่พอหรือตั้งข้อสงสัยว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าตั้งข้อสงสัยในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าคําสั่งของพระเจ้าโปรด จ, จําไว้ว่ามันได้ทําอย่างนั้นมาแล้วกับอาดัมและเอวาอย่างไรมันจะทําอย่างนั้นเช่นกันมันทํากับพระเยซูยังไงมันก็จะทํากับเราอย่างนั้นเช่นกัน พี่น้องครับเราต้องเปิดความเปิดหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าจากพระมิยามจุดและจากพระจนะของพระเจ้านะครับเราต้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระจนะของพระเจ้าบทสรุปในเช้าวันนี้ก็คือพี่น้องครับชีวิตของเราจะต้องต่อสู้กับการเจริญเติบโตฝ่ายจิจวิญญาณซึ่งเป็นมีศัตรูอยู่สามประ ก, กาในวันนี้ นะครับเราต้องต่อสู้กับศัตรูของการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณทั้งสารประการในวันนี้และยังเพ่งความสนใจทั้งหมดไปที่พระเจ้าครับรากฐานฝ่ายวิญญาณของเราจะเข้มแข็งขึ้นและพระเจ้าพระเยซูจะช่วยเราให้เราจดจ่ออยู่ที่พระองค์ครับจดจ่ออยู่ที่พระองค์พระเจ้าจะปรับเราให้เข้ากับภาษายาของพระองค์พี่น้องครับถ้าเราไว้วางใจในพระเยซูคริสต์แล้วเราก็ จะรู้ว่าพระคัมภีร์นั้นเขียนไว้เพื่อที่จะให้พระเจ้าพระองค์นั้นนำพาเราไปทีละก้าวเราได้เริ่มต้นการเดินทางฝ่ายจิวิญญาณให้เราเติบโตขึ้นให้เราเพ่งสายตาจดจ่อจับจ้องที่พระเยซูตลอดเวลาให้พระเยซูนั้นเป็นศูนย์รวมความสนใจของเราศึกษาแผนที่นะครับศึกษาแผนที่คือพระคัมภีร์ครับเป็น ประดิกมทุกวันและพระวิญญาณจะเป็นเนวิเกเตอร์เป็นต้นผลเป็นผู้นําทางพระเจ้าจะอยู่กับเราครับขอสันติสุขแห่งพระสัญญาณิรัน์ของพระเจ้าได้ทรงให้พระเยซูคริสต์ของเรานั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่แห่งฝูงแกะของพระเจ้านั้นให้รเราทั้งหลายทั่งพร้อมด้วยทุกสิ่งอันดีเพื่อจะกระทําตามน้ำมัทไทยของพระองค์ครับอาวีย